วันนี้เป็นวันจันท ร, ร์ที่6พฤศจิกายนพุทธศักราช2566เป็นวันพระเป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงสอนศรัท ธ, ธาญาติโยมผู้ฝ่ายธรรมทั้งหลาย ให้มาทำใจให้เป็นพระกันให้ยกระดับจิตใจอยากมนุษย์จากกุตุชนขึ้นไปสู่ระดับพระอริยบุคคลพระอริยะในพระพุทธศาสนานี้มีอยู่สี่ระดับด้วยกันคือหนึ่งมีพระโสดาบันสองพระสกิดาคามี สามพระอนาคามีและสีพระอรหันต์นี่คือพระในพระพุทธศาสนาที่เป็นเป้าหมายของพระพุทธศาสนาของชาวพุทธที่จะควรตั้งเป้าเพื่อยกกระดับจิตใจให้สู่ความเป็นพระอริยบุคคลให้ได้ แต่ก่อนที่จะขึ้นไปสู่ระดับพระอริยบุคคลได้ <c oughs> ก็จาเป็นที่จะต้องยกระดับจากมนุษย์ให้ขึ้นไปเป็นเทพก่อนแล้วจากเทพก็ไปเป็นพรหมเป็นรูปประพรหมแล้วก็ไปเป็นอรูปประพรหม พอถึงขั้นอรูปประพรมแล้วจึงจะสามารถขึ้นสู่ระดับพระอริยะบุคคลได้นี่คือขั้นตอนของการทำใจพัฒนาจิตใจยกระดับจิตใจให้เป็นพระอริยะบุคคลของพระพุทธศาสนา ต้องทำตามขั้นตอนเหมือนกับการศึกษาเล่าเรียนหนังสือก่อนที่เราจะขึ้นไปสู่ระดับปริญญาได้ระดับพระอริยบุคคลนี้เทียบเท่ากับระดับปริญญาทางโลกทางโลกก็มีปริญญาติโทเอกอนุอนุอน ป, ปริญญาทางธรรมก็เช่นเดียวกัน พรริยบุคคลนี้เป็นระดับที่สูงที่ผู้ที่ต้องการจะไปนั้นจําเป็นต้องผ่านขั้นขั้นต่ําก่อนเหมือนกับการศึกษาเล่าเรียนก่อนจะไปเรียนระดับปริญญาได้ก็ต้องเริ่มต้นที่ระดับอนุบาลก่อนเวลาเริ่มเข้าเวลาเริ่มเข้าโรงเรียนใหม่ ยังไม่รู้ภาษีภาษาอะไรก็จับไปอยู่ขั้นอนุบาลก่อนนะพอจบขั้นอนุบาลก็ให้ขึ้นไปอยู่ขั้นประถมจากขั้นประถมก็ไปสู่ขั้นมัธยมหลังจากได้ขั้นมัธยมแล้วก็สามารถที่จะไปสอบเอ็นทรานทถ้าติดก็จะได้เข้าเรียนในมหาลัยเพื่อที่จะได้ เรียนระดับปริญญาติโทเอกตามลำดับต่อไป <c oughs> <c oughs> ฉันใดทางพระพุทธศาสนาก็เช่นเดียวกันตอนนี้จิตใจของพวกเรานี้อยู่ในระดับของความเป็นมนุษย์ใจของเราเป็นมนุษย์ร่างกายของเราเป็นมนุษย์แต่เราสามารถยกระดับใจของเราให้สูงขึ้นได้ ในขณะที่ร่างกายของเรายังเป็นมนุษย์อยู่ด้วยการปฏิบัติตามคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าวิธีการที่จะยกระดับจิตให้ขึ้นสู่ระดับเทพเบื้องต้นก็ต้องกั้นไม่ให้จิตลงต่ำก่อนเพราะต่ำกว่าความเป็นมนุษย์ก็มีอยู่สี่ระดับด้วยกัน ที่เรียกว่าอบายสีคือเดชาฉนเปรตอสุรกายและนรกถ้าเราต้องการจะขึ้นสูงเราก็ต้องไม่ลงต่ำถ้าลงต่ำมันก็ไปผิดทางก็จะไปไม่ถึงการเป็นพระอาริยะตามลำดับต่อไปดังนั้นเบื้องต้นนี้ต้องมีการปิดประตูอบายก่อน ไม่ให้ใจตกไปในอบายและการปฏิบัติที่จะกั้นไม่ให้ใจไปตกไปในอบายนี้ก็ได้แก่การไม่ทำบาปและการไม่เสพอบา ย, ยมุขบาปก็มีอะไรบ้างคือการฆ่าสัตว์การลักทรัพย์การประพฤติผิดประเพณีการพูดป่ว และการดื่มชูลายาเมาต่างๆอันนี้ต้องปฏิบัติกันให้ได้คือรักษาศีลห้าให้ได้แล้วก็ต้องไปละเว้นการเสพอบา ย, ยมุขด้วยเพราะอบา ย, ยมุขนี้จะเป็นผู้สนับสนุนให้ไปทำบาปได้ง่ายนัน อย่าเสพเสพแล้วโอกาสจะไปทําบาปนี้จะทําได้ง่ายอบายามุกก็มีอยู่ห้าด้วยกันคือหนึ่งการดื่มสุรายาเมาสองการเล่นการพนันสามการเที่ยวกลางคืนสี่ความเกลียดค้านและห้าการคบ คนพาลก็คือคนที่ชอบอบายยมุขเป็นวิสนี่คือการกระทาที่เราไม่พึงกระทากันเพราะการเสบอบายยมุขนี้มีแต่จะทําให้เราสูญเสียทรัพสมบัติเข้าของเงินทองไปและเมื่อเรามีเงินทองไม่พอใช้มันก็จะบังคับให้เราไปทำบาป เพื่อที่จะได้เอาเงินทองมาเสบอบา ย, ยมุกต่อแต่ถ้าเราไม่เสบอบา ย, ยมุกนี้ทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองที่เรามีอยู่ก็จะไม่สูญเสียไปดืม่มสุรายามา ก, ก็ต้องเสียเงินซื้อสุรามาดื่มเล่นการพนันเ<ม>วลาเล่นได้ก็อยากจะเล่นต่อ<ม>อยากจะได้เพิ่ ม, มพอเล่นไปเดี๋ยวเสีย<ม>ก็อยากจะได้คืน ก็ทำให้ไม่หยุดเล่นแล้วน่าที่สุดก็จะต้องอหมดเนื้อหมดตัว mm. การเที่ยวกลางคืนก็เหมือนกันการเที่ยวกลางคืนก็ไม่มีรายได้มีแต่รายจ่าย mm. เที่ยวบ่อยๆเที่ยวมากๆจะทำให้เงินทองไม่พอใช้น่า จ, จะทำให้เสียงานเสียการเพราะเที่ยวกลางคืนก็มักจะเที่ยวจนดึกแล้วก็อาจจะดื่มของมึนเมาอะไรต่างๆ ทำให้ไม่สามารถตื่นในตอนเช้าเพื่อไปทำงานทำการได้ถ้าติดเที่ยวมากๆเดี๋ยวก็ต้องถูกเขาไล่ออกจากงานเพราะว่าลาลากิลา ง, งานบ่อยจนกระทั่งไม่สามารถทำประโยชน์ให้กับบริษัทได้บริษัทก็จะต้องให้ออกจากงานไปความเกลียดค้านก็เช่นเดียวกัน ไปทำงานที่ไหนกับใครถ้ามีแต่ความเกลียดข้านคอยหลบหลบซ่อนๆนะไม่ทำงานไปทำอะไรอย่างอื่นไปเล่นเกมไปดูหนังไปดูเปิดมือถือดูหรือไปทำอะไร <c oughs> ที่ไม่ใช่เป็นงานที่ต้องทำมันก็จะทำให้ผลงานมีไม่มาก ทางเจ้านายเมื่อเขาเห็นเราไม่มีผลงานเขาก็จะเชิญเราออกจากงานไป <c oughs> พอเราไม่มีรายได้จากการทำงานเราก็อาจจะต้องไปหาหารายได้โดยวิธีช่อช่อโกงหลอกลวง <c oughs> ด้วยวิธีการต่างๆ <c oughs> แล้วบางครั้งก็อาจจะต้องไปลักขโมย <c oughs> หรือไปป้นไปจี้แล้วก็เวลาไปป้นไปจี้ก็อาจจะมีการต่อสู้กันก็อาจจะมีการฆ่าฟันกันได้เ <c oughs> <c oughs> นี่ะคืออบายามุขถ้าลองไปเสพแล้ว <c oughs> เดี๋ยวไม่ช้าก็เร็วก็จะต้องไปทำบาปต่อไป <c oughs> ถ้าไม่เสพอบายามุขเงินทองที่เรามีอยู่ก็จะไม่สูญหายไป จากการเสพอบายมุกเราก็จะมีเงินทองพอเพียงไว้ใช้ใจ่ายก็ไม่มีความกดดันให้เราต้องไปทำบาปเพื่อหาเงินทองมาใช้เพิ่ม <c oughs> นี่คือสิ่งสิ่งแรกของการที่จะลกยกระดับจิตใจของเราซึ่งตอนนี้เป็นมนุษย์อยู่ <c oughs> ไม่ให้ลงต่ำก่อนปิดประตูอบาย ด้วยการไม่ทำบาปไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดประเพณีไม่พูดปดแล้วก็ไม่เสพอบายมุขไม่ดื่มสุรายาเมาไม่เล่นการพนันไม่เที่ยวกลางคืนไม่ไม่มีความเกลียดค้านไม่คบคนที่ชอบอบายมุขเป็นมิตรเพราะคนถ้าไปคบกับคนที่ชอบอบายมุข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 ต้องพยายามหลีกเลี่ยงคนที่ชอบอบายามุขเป็นมิตรแต่คบค้าสมาคมได้แต่อย่าไปร่วมทากิจกรรมกับเขาถ้ามีความจำเป็นที่จะต้องทำงานร่วมกันหรือมีธุรกิจเกี่ยวข้องกันอันนี้เราต้องแยกออกออกจากกันว่าอันนี้เป็นเรื่องของธุรกิจเรื่องการงานแต่ถ้าเป็นเรื่องของการสังคมเรื่องของการชวนให้เราไปเสพอบายามุขกับเขานี้ เราต้องไม่ไม่ไม่ไปเสกไม่ต้องเกงใจเขาถ้าเราเกงใจเขาไปทำตามที่เขาบอกใจของเราก็จะถูกทำลายใจของเราก็อาจจะต้องไปทำบาปต่อไปใจของเราก็จะตกต่าแทนที่จะให้ใจของเราขึ้นสูงก็ต้องปล่อยให้กลับไปปล่อยให้ใจตกต่าเพราะเราเกงใจคน ไม่เกรงใจทําไม่เกรงใจทําคําสอนของพระพุทธเจ้าหลวงตามหาบัวท่านเคยพูดไว้ว่าเราเกรงทำเราไม่เกรงใจคน<ม>ถ้าเราเกรงใจคนทําก็แหลกถ้าเราไม่อยากให้ทํำแหลกเราก็ไม่ต้องไปเกรงใจคนไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามแม้แต่พ่อแม่เราก็ตา ม, ม ถ้าพ่อแม่ชวยให้เราไปเล่นการพนันไปดื่มสุรายาเมานี้เราก็ต้องไม่เก่งใจการไม่เก่งใจแบบนี้ไม่ได้เป็นการเสียความเคารพไม่ได้เป็นการไม่มีความกาตัญญูกตเวทีมันเป็นเรื่องของ <c oughs> การป้องกันจิตใจของเราไม่ให้ลงต่ําเราก็ยังเลี้ยงดูพ่อแม่อยู่เราก็ยังมีความกาตัญญู <c oughs> ก็ยังมีความเคารพนับถือท่านอยู่ทุกอย่าง แต่ถ้าท่านชวนให้เราไปทำเสพอบายมยุกนี้เราต้องปฏิเสธถ้าเราไม่อยากจะลงไม่ไม่อยากจะปล่อยให้จิตใจเราลงต่าถ้าเราต้องการรักษาความเป็นมนุษย์ของเราไว้เราต้องไม่ต้องเกรงใจใครทั้งนั้นถ้าเขามาชวนให้เราไปในทางต่ำเราต้องปฏิเสธเขาไป ส่วนเขาจะโกรธเราหรือไม่นี้มันเป็นเรื่องของเขาแต่เราไม่โกรธเขาเราเพียงแต่ไม่สามารถทำในสิ่งที่เขาชวนให้ไปทําได้อัน <Yeah. S 1> นี้คือ <c oughs> เรื่องของการป้องกันใจไม่ให้ตกลงต่ำก่อนเพราะเราต้องการยกระดับใจของเราให้สูงขึ้น <Yeah. S 1> ยกระดับของใจให้เราขึ้นสู่ระดับเทพเการยกะ ถ้าเราปิดประตูวบายได้แล้วเราก็จะเป็นอยูอย่อย่างน้อยเราก็จะอยู่ในระดับของความเป็นมนุษย์อยู่ mm hmm. แล้วถ้าเรามีโอกาสได้ทำบุญทำทาน mm hmm. อันนี้จะเป็นตัวที่จะยกระดับใจของเราให้ขึ้นไปเป็นเทพกัน mm hmm. การทำบุญทำทานนี้เป็นการยกระดับใจจากมนุษย์ให้ใหใหขึ้นไปเป็นเทพ mm hmm. เพราะผู้ทำบุญนี้จะมีความเมตตากรุณาจะเป็นผู้จิตใจที่อ่อนโยนเป็นจิตใจที่ม <c oughs> ีมีความเป็นมิตรกับทุกทุกคนนี่เป็นคุณสมบัติของเทวดาเทวดานี้จะเป็นผู้ที่มีความเมตตากรุณาไม่ชอบเบียดเบียนผู้ดการทำบุญนี้ด้วยการ ด้วยการทำทานด้วยการเสียสละแบ่งปันข้าวของเงินทองที่เรามีเหลือกินเหลือใช้ <Yeah. S 1> ถ้าเรายังไม่มีเงินทองพอเหลือกินเหลือใช้เราก็จะต้องทำบุญแบบในแบบวิธีอื่น <Yeah. S 1> วิธีที่ทำบุญโดยที่ไม่ใช้เงินก็มีอยู่ <c oughs> เช่นถ้าเราอาจจะเป็นคนที่มีความรู้ในบางอย่างเรีนรู้จักวิธีทำกับข้าวต่าง ก็สามารถสอนคนที่เขาอยากจะเรียนก็ได้โดยไม่คิดเงินเขานี้เรียกว่าวิทยาทานให้ความรู้แก่ผู้ถ้าเรารู้จักวิธีเย็บปักถักร้อยเย็บเสื้อผ้าตัดเสื้อผ้าหรือ <c oughs> รู้จักวิธีท ำ, <c oughs> ท, ำทำความเสริมเสริม <c oughs> สวยต่างๆทำผมทำหน้าทำเล็บทำอะไรต่างๆ แล้วมีคนอยากจะมาเรียนเพื่อเขาจะได้ไปเปิดร้านทำเล็บทำผมเราก็สอนเขาโดยที่ไม่คิดเงินทอง ก, ก็ได้ อ, อันนี้ <c oughs> เป็นการสอน <c oughs> เป็นการให้ทานที่เรียกว่าวิทยาทานไม่มีเงินทอง ก, ก็ไม่หมายความว่าเราจะไม่สามารถ <c oughs> ทำทานได้ หรือถ้าเราไม่มีความรู้แต่เรามีเวลาว่างเราก็ไปรับใช้สังคมไปทำหน้าที่เป็นจิตอาสาไปรับใช้สังคมเวลาที่สถานที่เขามีความต้องการคนให้มาช่วยเหลื อ, อเช่นเวลามีภัยทางธรรมชาติมีน้ําท่วมมีไฟไหม้ต้องการคนมาช่วยคน ของมาช่วยเหลือคนที่เขาตกทุกข์ได้ยากขนอาหารขนเสื้อผ้าขนเครื่องนุ่งห่มอะไรต่างๆมาแจกเขาก็อาจจะต้องการคนเรามีเวลาว่าง <c oughs> เราก็ไปเป็นจิตอาสาไปช่วยเหลือผู้อื่นอันนี้ก็เป็นการทำทานเหมือนกันเป็นการให้เหมือนกันให้คุณให้ประโยชน์ให้ความสุขแก่ผู้อื่น ก็ถือว <Tr> ่าเป็นการทำทานอย่างนึ้อย่างนนการทำทานนี้ไม่ได้หมายความว่าจะต้องให้เงินทองเข้าของเพียงอย่างเดียวแต่สำหรับคนที่มีเงินทองเข้าของแต่อาจจะไม่มีเวลาที่จะมาสอนคนนั้นคนนี้หรือไม่มีเวลาไปช่วยงานนั้นงานนี้ก็ให้เงินทองไปแทนก็ได้ก็เรียกว่าเป็นการทำทานเพื่อยกระดับ จิตให้ขึ้นสูงไปสู่ระดับของเทพระดับของเทพนี่ก็มีอยู่หกระดับด้วยกันขึ้นอยู่กับว่าทำมากทำน้อย <c oughs> ทำมากก็จะขึ้นสูงทำน้อยก็จะอยู่ต่ำอ่านี่ <c oughs> คือการยกระดับจิตใจให้เป็นเทพก่อนต้องเหมือนทำบุญทำทานอยู่เรื่อย ทำทุกวันได้ยิ่งดีมากน้อยไม่สำคัญขอให้ทำเพื่อให้มันติดเป็นนิสัยแล้วเวลาวันไหนไม่ได้ทำมันจะรู้สึกขาดอะไรไปพราะเวลาทำบุญทาทานนี้มันจะให้ความสุขกับใจแล้วมันจะให้ความอิ่มใจเป็นเหมือนอาหารของใจพอวันไหนไม่ได้ทำบุญทาทานแล้วรู้สึกว่าเหมือนไม่ได้กินข้าวใจไม่ได้กินข้าว ใจจะรู้สึกว่างว่างหิวหิวะ <c oughs> นั้นพยายามฝึกนิสัยทำทานอยู่ทุกวันจะทำกับใครก็ได้ส่วนใหญ่เราก็จะมุ่งไปที่บุคคลที่มีพระคุณกับเราก่อนอบุคคลที่มีพระคุณก็เช่นบิดามารดาปู่ย่าตายายถ้าท่านต้องให้เราดูแลช่วยเหลื อ, อหาข้าวให้ท่านกินอะไรอย่างนี้ หาเสื้อผ้าให้ท่านใส่เราก็ต้องทำกับบุคคลที่มีพระคุณกับเราก่อนเพื่อเป็นการตอบแทนบุญคุณเป็นความกตัญญูกตวเวทีซึ่งเป็นพื้นฐานของคนที่เป็นคนดีของคนที่จะขึ้นไปสู่ที่สูงได้จาเป็นต้องเป็นคนที่มีความสานึกในบุญคุณของผู้มีพระคุณ ถ้าไม่มีความสำนึกในบุญคุณเป็นคนเนรคุณคนถ้าเป็นคนเนรคุณแล้วโอกาสที่จะเจริญก้าวหน้าขึ้นไปนี้ก็จะเป็นปะะัญญาเพราะขนาดผู้มีพระคุณเรายังทำบุญทำทานให้กับท่านไม่ได้แล้วกับคนที่เขาไม่มีบุญคุณอะไรกับเราเราจะไปทำบุญทำทานกับเขาทำไมงั้นเบื้องต้นต้องทำทานกับผู้ที่มีพระคุณก่อน ท ำ, ทำบุญกับพระในบ้านของเราก่อนพระอหรหันต์ในบ้านของเราพระอริยะในบ้านของเราก็คือพ่อแม่ของเรานี่ต้องดูแลพระอริยะในบ้านให้ท่านอยู่อย่างสุขอย่างสบายก่อนแล้วถ้าเรายังมีกําลังที่จะไปทําบุญนอกบ้านได้อยาจะไปทํากับพระตามวัดต่างๆทําทบุญกับพระอริยะสงฆ์เพื่อที่เราจะได้สนับสนุน ให้ท่านอยู่ไปนานๆเพื่อจะได้เป็นที่พึ่งเป็นร่มโพล่มสายให้แก่ชาวพุทธต่อไปเราก็ไปทำบุญกับวัดวารามต่าง ๆ, ๆทำบุญใส่บาตรเบื้องต้นก็สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือการใส่บาตรเพราะพระทุกลูปไม่ว่าจะเป็นพระอริยะหรือพระปุถุชนก็ต้องกินข้าวด้วยกันทุกคนถ้าไม่มีญาติโยามใส่บาตรพระก็จะอดอยากขาดแคลนได้แล้วก็อาจจะทาให้พระ ไม่มีกำลังใจที่จะอยู่ต่อไปก็ได้อาจจะลาสิกขาไปเพราะอยู่แล้วไม่มีไม่มีปัจจัยสี่ไม่มีอาหารไม่รับประทานไม่มีจีวรไม่สวมใส่ไม่มีกุติไม่มียารักษาโรคก็อาจจะทำให้ไม่มีกำลังใจที่จะอยู่ก็อาจจะไม่มีพระมาบวชกันถ้าชาวพุทธเราไม่มาสนับสนุน พระพุทธศาสานาสนับสนุนพระที่มาบวชในพระพุทธศาสานาให้ท่านมีปัจจัยสีพ่พอเพียงต่อการดำรงชีพของท่านเพื่อที่ท่านจะได้มีกำลังใจที่จะไปศึกษาพระธรรมคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วก็นำเอาคำสอนที่ได้ศึกษาไปปฏิบัติแล้วพอได้ปฏิบัติแล้วท่านก็จะได้บรรลุเป็นพระอริยบุคคลกัน เป็นพระที่จะเป็นที่พึ่งของชาวพุทธเราต่อไปศาสนาพุทธของเรานี้จะอยู่นานหรือไม่นานนี้ไม่ได้ขึ้นอยู่กับถาวรลวัตถุว่ามีมากมีน้อยมีโบสถกี่หลังมีพระพุทธรูปกี่รูปมีเจดีย์กี่องค์นี้สิ่งเหล่านี้ไม่ได้เป็นตัววัดความเจริญหรือวัดความยั่งยืนของพระพุทธศาสนาเพราะถาวรลวัตถุนี้ไม่มีคุณประโยชน์อะไรกับ ชาวพุทธเรานอกจากให้เรามีความศรัทธาให้เราเลาเลิกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เท่านั้นแต่ท่านไม่สามารถสั่งสอนธรรมะสิ่งเหล่านี้ไม่สามารถสั่งสอนธรรมะให้เราได้ปฏิบัติอย่างถูกต้องเพื่อให้เราได้บรรลุปเป็นพระอริยบุคคลได้สิ่งที่จะทําให้ศาสนาพุทธอยู่ไปได้เรื่อยๆก็คือการมีพระอริยบุคคลมาเป็นที่พึ่ง มีพระพุทธพระธรรมพระอริยสงสาวกเป็นที่พึ่งของชาวพุทธเ่าจะได้มีคนมาคอยสั่งคอยสอนธรรมะในระดับต่างๆในระดับเทพในระดับพรหมในระดับอริยบุคคลถ้าไม่มีใครสั่งใครสอนศรัทธาญาติโยมที่ไม่ได้ศึกษามาก่อนก็จะไม่รู้ว่าการที่เราจะไปเป็นพระอริยบุคคลได้นั้น จะต้องทำอะไรกันอย่างไรต้องมีผู้สอนถึงแม้ว่าเราอาจจะมีพระไตรปิฎกที่เป็นที่บรรจุพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าอยู่ก็ตามแต่พระไตรปิฎกก็มีมากมายบางทีเราก็ไม่รู้ว่าจะไปหยิบเล่มไหนมาอ่านถึง่าเข้าใจเพราะพระพุทธเจ้าทรงสอนธรรมะไว้มากมายให้คนหลายระดับด้วยกันก็เลยอาจจะไม่รู้วิธี ของการที่จะไปเป็นพระอริยะบุคคลนั้นต้องไปอ่านคำพีเล่มไห น, นแต่ถ้ามีพระอริยะสงสาวกนี่ท่านจะบอกให้เรารู้เลยโดยตรงว่าอยากจะเป็นพระอริยะก็ต้องยกระดับใจจากเทพให้ไปเป็นพรหมแล้วจากพรหมก็ไปเป็นพระอริยะต่อไปได้งั้นการทานุบำรุงพระพุทธศาสนานี้เราทํานุบำรุงเพื่อให้ มีการศึกษามีการปฏิบัติมีการบรรลุปเป็นพระอริยบุคคลเราไม่ได้ทำรูปบำรุงพระพุทธศาสนาเพื่อสร้างถาวนวัตถุสวยๆงามๆที่ไม่สามารถสั่งสอนธรรมะให้กับใครได้สร้างโบสถ์สวยงามพิศดานสร้างเจดีย์สวยงามพิศดานสร้างพระพุทธ ร, รูปสวยงามพิศดานแต่ถาวนวัตถุเหล่านี้สอนธรรมะไม่ได้ เพราะฉะนั้นอย่าไปหลงประเด็นว่าพระพุทธศาสนาเราจะเจริญรุ่งเรืองจะอยู่ไปได้ดนานๆนี้ต้องมีถาวรลวัตถุที่สวยงามที่ยิ่งใหญ่อดี๋ยนี้แข่งกันสร้างพระพุทธรูปองค์ใหญ่ๆกันแข่งกันสร้างเจดีย์องค์ใหญ่ๆกันอันนี้ไม่สามารถพาคนไปนิพพานได้ไม่สามารถพาให้คนบนรรลุมรรคผลนิพพานได้ ผู้ที่จะพาให้ไปบรรลุมรรคผลที่ผ่านได้ก็คือพระอริยบุคคลดังนั้นเราต้องมาสนับสนุนพระที่มาศึกษามาปฏิบัติธรรมให้ท่านมีปัจจัยสี่พอเพียงให้ท่านมีสถานที่สงบสงัดวิเวกที่เหมาะต่อการเจริญสัมมนธรรมอย่าไป ให้มีการกอร่อสร้างถาวะวัลวัตุในวัดมากเกินไปเพราะเวลามีการกอร่อสร้างก็จะมีเสียงอึ ก, กทึกคลุกโค อ, อยจะทำให้การปฏิบัติธรรมเพื่อทาใจให้สงบให้เป็นอริยะขึ้นมานี้มันเป็นของที่ยากมากพระที่บรรลุเป็นพราอาริยะบุคคล น, นี้ส่วนใหญ่ท่านจะไปบรรลุตามป่าตามเขากันท่านจะไปอยู่ตามวัดป่าวัดเขากัน มีห่างไกลจากความเจริญทางด้านถาวรวัตถุถ้ายาติโยมไปดูวัดป่าสมัยครูบาจารย์สมัยหลวงปู่มัน่นสมัยหลวงตามหาบัวนี่วัดของท่านนี้จะไม่มีถาวรวัตถุอะไรไม่มีโบสถ์ไม่มีเจดีย์ม่อาจจะมีศาลาไว้สําหรับทํากิจขบฉันแสดงธรรมฟังเทศฟังธรรมแล้วก็มีกระต๊อบกระจัดกระจายอยู่ในป่า ไม่มีกุเิที่รู้หลาสวยงามไฟฟ้าก็ไม่มีน้ําประปาก็ไม่มีอั <Yeah. S 1> นว่าไฟฟ้านี่มันเป็นภัยต่อการปฏิบัติมากกว่าเป็นคุณเป็นประโยชน์ <Yeah. S 1> เวลาเราปฏิบัติเรานั่งสมาธิเราไม่ต้องใช้ไฟฟ้าเราหลับตา <Yeah. S 1> มีไฟไปก็ไม่จําเป็น <Yeah. S 1> ใช้ไฟแบบโบราณก็ได้ใช้เทียนใช้อะไรสมัยพระพุทธเจ้าก็ไม่มี <Yeah. S 1> ก็ไม่มีไฟฟ้าไม่มีน้ําประปา พระพุทธเจ้าตัดสัู้ใต้โคนไม้กุฏิก็ไม่มีไฟฟ้าก็ไม่มีน้าปะปาก็ไม่มีของเหล่านี้มันไม่ได้เป็นตัวสำคัญตัวที่สำคัญก็คือความสงบสงัดวิเวกของสถานที่ที่ไม่มีอะไรมารบกวนใจเพราะการจะทําทใจให้สงบนี้ต้องไม่มีอะไรมารบกวนใจ เหมือนกับการที่เรามีสระน้ำแล้วเราต้องการให้สระน้ำมันนิ่งเราก็ต้องไม่ให้คนลงไปเล่นน้ำกันถ้ามีคนลงไปเล่นน้ำ<ม>น้ำมันก็จะกระเพื่อมอยู่เรื่อย<ม>น้ามันก็จะไม่นิ่งใจเราเ็เหมือนกันถ้าอยากจะให้ใจเรานิ่งใจเราต้องไม่ไปสัมผัสรับรู้กับรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐพัชชนิดต่างๆ<ม>ต้องไปอยู่ที่ <c oughs> ไม่มีรูปเสียงกลิ่นรส ที่เป็นกิเลสที่เป็นตัวมายั่วยว่นกวนใจให้เกิดกิเลสขึ้นมารูปเสียงกลิ่นรสของธรรมชาตินี้ไม่เป็นพายแต่อยู่ตามป่าตามเขารูปเสียงกลิ่นรสที่เห็นในป่าในเขานี้ไม่เป็นพิษเป็นพายต่อจิตใจเพื่อต่อการทำใจให้สงบ <c oughs> น, นี่แหละคือวิธีทานุกบารุงพระพุทธศาสนาอย่าไปจ้องที่วัตถุกัน ทำไมนี้แข่งสร้างเจดีย์กันสร้างโบสถ์กันก็เห็นปีนี้กี่ล้านสามสิบล้านร้อยล้านแล้วก็เอาเงินไปสร้างโบสถ์สร้างเจดีย์เวลาสร้างโบสถ์สร้างเจดีย์ในวัดก็กระเถิครึกโคมมีเสียงอะไรต่างๆมากมายทั้งวันทั้งคืนพอสร้างเสร็จก็เปิดให้คนเข้ามาเที่ยวอีกคนก็เข้ามาเที่ยวก็เถิกระเขโครมอีก แม่พ่อค้าแม่ค้าก็ขอมาเข้ามาขายขา้าวขายข้าวขายของอีกก็เลยกลายเป็นเหมือนกับตลาดนัดไปเองสังเกต ด, ดูว่าที่มีเจดีย์สวยๆมีที่คนไปเที่ยวกันเยอะเนี่ยต้องมีพ่อค้าแม่ค้ามาขายข้าวขายของกันถ้าดีไม่ดีก็เดี๋ยวก็มีเรื่องกันพ่อค้าแม่ค้าก็มาแย่งที่ขายกันมาทะเลาะเบาแวงกันอันนี้ไม่ใช่เป็นการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา การนำนุบบำนุงพระพุทธศาสนาต้องสร้างวัดที่สงบสงัดวิเวกห่างไกลจากความเจริญทางด้านวัตถุมงคลทางด้านทาวรและวัตถุต่างๆสมัยที่หลวงตาท่านอยู่วัดป่ามัณฑะเนยท่านเคยเล่าว่าในหลวงรัชกาลที่9ก้าเนี่ยเคยขอถวายสร้างพระอุโบสถสร้างโบสถ์ให้หลังหนึ่งหลวงตาท่านก็ขอปฏิเสธไปบอกว่า ทางวัดป่ามันตานี้ไม่สนใจกับการสร้างฐาน ว, วัตถุสนใจต่อการสร้างพระอย่างเดียวสนใจต่อการสร้างพระอะรอยิยะพอท่านอธิบายใ ห, ให้ในหลวงฟังในหลวงก็เข้าใจเพราะในหลวงก็สนใจกับเรื่องของการปฏิบัติเรื่องของการปฏิบัติตในหลวงนี่ ไ, ไปกราบครูบาอาจารย์ทางสายสามาเกือบทุกรูปอาจารย์ที่มีมีคุณธรรมสูง ตั้งแต่หลวงปู่ฟัน่นหลวงปู่เทศนหลวงปู่ขาวหลวงตามหาบวัวหลวงปู่แบรนท่านไปกพาพาริยะไปสนทนาธรรมกับพระอริยะไปศึกษาวิธีที่จะเป็นพระอริยะว่าทำอย่างไรท่านก็เลยเข้าใจแล้วแต่ละวัดที่ท่านไปเสด็จไปก็เป็นวัดที่สงบไม่มีท้าวและวัถตถุต่างๆนี่แหละ คือสิ่งที่เราควรที่จะเข้าใจกันแทนที่จะทําคุณให้กับศาสนาอาจจะทำทำโทษให้กับศาสนาถ้าเราไปทําผิดวิธีถ้าเราไปมุ่งเน้นในการสร้างถาวัและวัตถุมุ่งเน้นในการสร้างโบสถ์สร้างเจดีย์สร้างพระพุทธรูปกิจกรรมเหล่านี้มันเป็นกิจกรรมที่ต้องมีเสียงอึ ก, กทึกคลุกโคมต้องมีคนเข้ามาวุ่นวายแล้วก็ ต้องมีอะไรต่างๆอีกเยอะแ ย, ยะตามมาถึงไม่ควรจะสนใจเรื่องถาวรและวัตถุพระพุทธเจ้านี้ไม่เคยสร้างวัดเลยแมย้แต่วัดเดียว45ปีที่ทรงประกาศพระพุทธศาสนานี้ท่านมีแต่สร้างพระอาริยะเท่านั้นพอาริยะที่พระเจ้าสร้างนี้นับเป็นแสนได้ท่านไม่สร้างอย่างอื่นท่านสร้างด้วยการเทศสั่งสอน สั่งสอนวันละสีร่รอบรอบบ่ายก็สั่งสอนสัตธาญาิโยมรอบค่ำก็สั่งสอนพระภิกษุสามเณรแม่ชีหรือภิกษุณีแล้วก็รอบเด็กก็สั่งสอนเทวดาตอนเช้าก่อนจะเสด็จออกบินทบาทก็เรงยานดูว่าจะมีใครเหมาะกับการรับธรรมะในวันนั้น เป็นผู้ที่อาจจะพร้อมต่อการบรรลุ ธ, ธรรมก็จะทรงมุ่งไปโปรดคนคนนั้นก่อนเนี่ยนี่คือพุทธกิจของพระพุทธเจ้ามีอยู่ห้าข้อหลังจากเรียงยานเสร็จแล้วก็เสด็จออกบินทบาตแถ้าดีไม่ดีอาจจะเดินผ่านบ้านของคนนั้นก็ได้ก็อาจจะไปโปรดเขาในขณะนั้นเลยก็ได้พุทธกิจมีห้าข้อบินทบาต เทศญาตโยมเทศพระเนรเทศเทศวดาแล้วก็โปรดคนที่สมควรที่จะโปรดในวันนั้นนี่คือพนี่คือกิจของพุทธเจ้าที่ทรงทํามาตลอด45ห้าพันษาด้วยกันไม่มีวันไหนที่ท่านบอกว่าวันนี้จะไปสร้างเจดีย์วันนี้จะไปหาเงินมาชวนศรัทธาญาติโยมมาทอดกรถิ่นกันเพื่อจะได้เอาเงินนี้ไปสร้างโบสถ์สร้างเจดีย์กันสร้างวัดกัน อันนี้ท่านปล่อยให้เป็นไปตามศรัท ธ, ธาไม่ต้องมีการเชื้อชวนเชื้อชวนแต่อย่างใดใครมีจิตศรัท ธ, ธาอยากจะสร้างไว้ก็ท่านก็อนุ ญ, ญาตให้สร้างแต่ใครอยากจะสร้างพระพุทธรูปนี้ท่านไม่ให้สร้างท่านบอกว่าพระพุทธรูปนี้ไม่ใช่ไม่ใช่เราเราไม่ใช่พระพุทธรูปเราคือธรรมถ้าใครอยากจะเห็นเราต้องเห็นธรรม และการจะเห็นธรรมก็ต้องปฏิบัติธรรมต้องศึกษาธรรมศึกษาธรรมปฏิบัติธรรมก็จะมีดวงตาเห็นธรรมเรามีดวงตาเห็นธรรมก็จะเห็นพระพุทธเจ้าไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนไม่ได้อยู่ต่อหน้าพระพุทธเจ้าก็จะรู้ว่าพระพุทธเจ้าอยู่ตรงนี้แล้วก็ไม่ได้ขึ้นกับการเวลาพระพุทธเจ้าจากพวกเราไปสองพันห้าร้อยกว่าปีแล้วก็ตาม แต่พระพุทธเจ้าในใจนี้ยังสามารถปรากฏขึ้นมาได้ทุกแห่งผลทุกเวลาถ้าเราสามารถปฏิบัติทำถึงขั้นนั้นได้เราก็จะสามารถเห็นพระพุทธเจ้าได้ดังนั้นถ้าเราอยากจะทำบุญทานุบารุงพระพุทธศาสนาก็ขอให้เราทานุบารุงศาสนาเพื่อให้มีสถานที่ปฏิบัติที่สงบสงัดวิเวกที่เหมาะต่อการเจริญ กิตตภาวนานะแล้วก็สนับสนุนเรื่องปัจจัยสิทธิ์ตามพอสมควรพอให้อยู่ได้ไม่อดอยากขาดแคลนเพื่อที่พระภิกษุที่มาบวชจะได้ศึกษาแล้วก็จะได้ปฏิบัติแล้วก็จะได้บรรลุเป็นพระอริยบุคคลตราบใดถ้ามียังมีพระอริยบุคคลอยู่ในโลกนี้พระพุทธศาสนานี้จะไม่หมดไป แต่ถ้าเวลาใดไม่มีพระอริยบุคคลแล้วนี่ถึงแม้จะมีพระไตรปิฎกก็อาจจะทำให้พุทธศาสนาหมดได้เพราะพระไตรปิฎกก็เป็นเพียงกระดาษเป็นคำภีเป็นตัวหนังสือถ้าคนไม่อ่านหรืออ่านแล้วไม่เข้าใจมันก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรมันต้องมีคนที่บรรลุธรรมคนที่รู้รู้ธรรมจริงๆถึงจะสามารถ อธิบายเรื่องของทำได้ว่าเป็นอย่างไรและวิธีที่จะปฏิบัติให้เข้าถึงธรรมเหล่านั้นทำได้อย่างไร<ม>นีคือการทำทานในพระพุทธศาสนาทำทานเพื่อสนับสนุนแ ม, <c oughs> ม่พอเสียงมันเกิดขึ้นปั๊บมันก็เลยล้มเลย นะสนับสนุนพระพุทธศาสนาด้วยการสนับสนุนให้มีสถานที่ที่สงบสงัดวิเวกให้มีการศึกษาให้มีการปฏิบัติแล้วก็จะมีการบรรลุธรรมตามมาอย่างแน่นอนนี่คือการการดําเนินการของพระพุทธเจ้าในยุคที่พระุทธเจ้าทรงมีชีวิตอยู่พระพุทธเจ้าทรงเน้นเรื่องการสั่งสอนแล้วพอผู้สั่งสอนได้ยินได้ฟังก็นําเอาไปปฏิบัติกัน พอปฏิบัติแล้วไม่ช้าก็เร็วบางคนก็เจ็ดวันบางคนก็เจ็ดเดือนบางคนก็เจ็ดปีก็สามารถบรรลุเป็นพระอริยบุคคลขึ้นมาได้ <Yeah. S 1> พระพุทธเจ้าสร้างแต่พระอย่างเดียวไม่สร้างวัดไม่สร้างอะไรไม่สร้างถาวรและวัถตถุต่างๆแต่ท่านก็ไม่ห้ามท่านก็ถ้ามีใครศรัทธาอยากจะสร้างวัดให้พระภิกษุมีที่อยู่อาศัยท่านก็ไม่ห้าม แต่ท่านจะไม่ไปเป็นผู้บงการไม่เป็นผู้ชักนำอะไรต่างๆท่านจะชักนำให้ศึกษาให้ปฏิบัติธรรมเพียงอย่างเดียว <c oughs> นี่คือการทำทานตัวอย่างของการทำทาน <c oughs> เพื่อจะยกระดับใจให้ขึ้นสูงเป็นเทวดา <c oughs> นอกจากการทำบุญทำทานเพื่อแสดงความกตัญญูต่อ ผู้บุคคลที่มีพระคุณ mm hmm. เช่นบิดามารดากุยยะตายายหรือพระพุทธศาสนาแล้วเราก็ยังสามารถทาบุญทาทานกับบุคคลอื่นได้ mm hmm. บุคคลที่เขาตกทุกข์ได้ยากเ mm hmm. ช่นคนยากคนจนพอที่เรามีอะไรจะช่วยเหลือแบ่งปันบรรเทาความทุกข์ให้กับเขาได้เราก็ช่วยไป mm hmm. ไปทำบุญกับบ้านคนชรา mm hmm. บ้านเด็กพิการอะไรเหล่านี้ mm hmm. เขาต้องการความช่วยเหลือ แม้แต่สัตว์เดรัจฉานเราก็ทาบุญทำทานกับเขาได้ไปถ่ายชีวิตวัวควายก็ได้ปล่อยนกปล่อยปลาก็ได้ถ้ามีสัตว์จรจัดมาก็ถ้าหาที่อยู่อาศัยให้เขาได้ก็พาเขาไปมีที่อยู่อาศัยให้เขามีที่อยู่มีที่กินอะไรอันนีเน้เป็นเรื่องของการทำบุญทำทานเหมือนกันเป็นการยกระดับจิตใจให้ขึ้นไปเป็นเทวดาเหมือนกัน อันนี้เกิดเรื่องของขั้นขั้นที่หนึ่งต้องยกระดับจากมนุษย์ให้ขึ้นไปเป็นเทวดาก่อนเพะจิตใจเรามีทานมีศีลแล้วจิตใจเราก็จะมีความสงบเกิดจากการทําทานเกิดจากการรักษาศีละจะทําให้ใจของเราไม่ค่อยหิวโหวยกับการไปหาความสุขจากลาบยศสรรเสริญจากรูปเสียงกลิ่นลมมันก็จะทําให้เราอยากจะหาความสุข เพิ่มขึ้นซึ่งความสุขที่ได้จากการรักษาศีลทำทานมันก็ได้เต็มเต็มที่แล้วทำไปก็จะได้เท่านี้ถ้าอยากจะให้ได้มากกว่า น, นี้ให้ก็ต้องไปปฏิบัติธรรมที่เรียกว่าจิตตะภาวนาก็ายกระดับจิตใจจากเทพให้ขึ้นไปเป็นพรหมที่มีอยู่สองขั้นคือรูปประพรมกับอรูปประพรมการที่เราจะไปปฏิบัติจิตตภาวนา ให้จิตใจขึ้นไปสู่ระดับพรหมได้เราก็ต้องมีการละเว้นการเสพความสุขของมนุษย์และของเทวดามนุษย์และเทวดานี้อาศัยความสุขที่ได้จากการสัมผัสกับรูปเสียงกยลิ่นรสต่างๆแต่ถ้าอยากจะไปสูงกว่าชั้นเทวดาต้องเลิกการหาความสุขแบบเทวดาหรือของหรือแบบมนุษย์ แล้วก็ให้ไปหาความสุขแบบพรหมพรมนี้หาความสุขด้วยการทำใจให้สงบเป็นเป็นฌานขั้นต่างๆเป็นรูปฌปานเป็นอรูปฌปานด<ม>ังการที่จะไปปฏิบัติทำใจให้สงบก็ต้องมีศีลเป็นผู้สนับสนุนคือศีลแปดศีลห้านี้มีกำลังไม่พอเพราะศีลห้ายังไม่ห้ามให้ไปร่วมหลับนอนกับแฟนได้อยู่ แต่ถ้าถือสิงแปลแล้วก็จะไม่ไม่ให้ไปร่วมหลับนอนกับใครไม่ให้หาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายกับแฟนแล้วก็ไม่ให้หาความสุขจากการรับประทานอาหารตามความอยากให้รับประทานอาหารเพื่อเลี้ยงดูร่างกายให้พออยู่ได้ก็พอซึ่งรับประทานวันละมือ้อสองมื้อก็พอแล้วแต่ไม่ให้เกินเที่ยงวันไป แล้วก็ให้ละเว้นการไปหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายเช่นการไปร้องลัมทาเพลงดูภาพยนต์ฟังอะไรหาความสุขทางการกินการเดินไปงานเลี้ยงไปงานอะไรต่างๆเหล่านี้ก็ต้องยกเลิกไปแล้วก็ไม่ให้หาความสุขจากการเสริมสวยความงามของร่างกายด้วยการใส่เสื้อผ้าอภรรที่วิจิตพิสดารหรือเสริมหน้าเสริมผมสม สมหน้าทำเผ า, าทำผมใช้น้ำมันใช้น้ำหอมอะไรต่างๆอันนี้อันนี้เป็นความสุขของเทพของมนุษย์ถ้าอยากจะไปเป็นพรหมนี้ต้องเลิกหาความสุขแบบนี้ถึงจะมีเวลาไปทำใจให้สงบได้ถ้าเรามัวแต่มาหาความสุขแบบเทพอยู่แบบเทพแบบมนุษย์อยู่นี่เราก็จะไม่มีเวลาที่เราจะสามารถที่จะไปทำใจให้เป็นพรหมได้ การทําใจให้เป็นพรหมนี้นอกจากถือศีลแปดแล้วก็ต้องไปหาที่สงบสงัดวิเวกไปอยู่ตามวัดป่าวัดเขาแล้วก็ไปเจริญสติอย่างต่อเนื่องเพราะสตินี้เป็นตัวที่จะหยุดความคิดทําใจให้สงบทําใจให้เป็นรูปฌานหรือรูปฌานได้อยู่ที่การมีสติถ้าไม่มีสติเวลานั่งสมาธิใจก็จะลอยคิดฟุ้งซ่าน พอคิดคลุ้งซ่านแล้วก็เกิดอาการอึดอัดขึ้นมานั่งไม่ได้นานก็ต้องเลิกต้องต้องเลิกไปเพราะนั่งแล้วไม่เกิดผลเพราะไม่มีสติคอยหยุดความคิดดังนั้นก่อนที่จะมานั่งสมาธิได้ผลต้องฝึกสติให้มากๆก่อนถ้าไปอยู่ตามวัดป่าวัดเขาไปอยู่ปฏิบัติแบบจริงจังช่วงวันหยุดหรือวันพระอย่างวันนี้บางท่านก็จะไปอยู่วัดหนึ่งวันกับหนึ่งคืน เพื่อที่จะได้ไปเจริญสติไปถือศีลแปดไปเจริญสติไปนั่งสมาธิต้องมีการเจริญสติอย่างตั้งแต่ตื่นจนหลับเลยสตินี้เป็นตัวสำคัญมากเพราะความคิดนี้มันเหมือนกับรถที่วิ่งลงเขารถที่วิ่งลงเขานี่ถ้าเราไม่เหยียบเบรคนี้มันจะไม่มีวันหยุดแล้วถ้าเราเหยียบแล้วถ้าเราปล่อยเบรมันก็จะวิ่งต่อเราต้องเหยียบมันเหยียบเบรตลอดเวลา จนกว่าเราจะหาก้อนหินหรือหาอะไรมามาการล้อไม่ให้มันไหลได้เราถึงจะปล่อยเบรกได้ <Yeah. S 1> จิตเราก็เหมือนกันจิตเราก็โดยปกตินี้ตั้งแต่เตกขึ้นมานี้มันจะเริ่มคิดละคิดถึงเรื่องนั้นคิดถึงเรื่องนี้นคิดถึงคนนั้นคิดถึงคนนี้คิดไปได้ทั้งวันทั้งคืนจะมาพักได้ก็ช่วงที่หลับนอนนั่นเองบางทีหลับนอนก็ยังหลับไม่ได้เพราะยังยังคิดฟุ้งซ่านอยู่ก็มี ดั <c oughs> งนั้นเราต้องพยาพยามมาฝึกสติเพื่อหยุดความคิดวิธีที่จะทําให้เราหยุดความคิดได้ก็มีหลายวิธีที่เราปฏิบัติกันในสั ง, สงคมของชาวพุทเราก็มีวิธีที่เรียกว่าพุท ธ, ธานุสติให้เร า, เ, ราเลิกถึงพุโทโธพุธโทโธพอลืมตาขึ้นมาก็ให้พุโทโธไปท่องพุโทโธไปลุกขึ้นมานั่งลุกขึ้นมายืนก็พุโทโธไปเดินไปเข้าห้องน้ําก็พุโทโธไป อาบน้าล้างหน้าแปลงควาก็พุโทโธไปแต่งเนื้อแต่งตัวก็พุโทโธไปแล้วประทานอาหารก็พุโทโธไปทำความสะอาดที่อยู่อาศัยก็พุโทโธไปอย่าปล่อยให้ใจไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆแล้วพอว่างจากการงานต่างๆที่ต้องทำก็มาเดินจงคมก็ได้หรือจะมานั่งสมาธิก็ได้ก็ใช้พุโทโธต่อไปนั่งหลับตาแล้วก็ พุทโธไม่ต้องดูลมถ้าใช้พุโทโธนี่ใช้พุโทโธอย่างเดียวก็พอดูลมแล้วมันจะยุ่งมันจะยากเอาพุโทโธํำเดียวนี่แหละถ้าเราสามารถทำพุโทโธมาได้ตั้งแต่ตื่นแล้วพุโทโธมันจะอยู่กับเราแล้วมันจะมันจะง่ายมันจะไม่หายไปพอมานั่งเราก็พุโทโธต่อไปเรื่อยถ้าเราไม่เผลอไม่ไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ไม่นานบางคนนั่งห้านาทีสิบนาทีจิตก็รวมเป็นสมาธิได้จิตก็เข้าฌานได้ สงบนิ่งเย็นสบายเกิดความสุขอันมหัศารร์ที่ไม่เคยพบมาก่อนคือความสุขที่เกิดจากความสงบ <Yes. S 1> นั่นนะงิสันติพลังสุขขัง <Yes. S 1> พระเจ้าทรงตรัสว่าสุขอื่นที่ที่เหนือกว่าความสงบนี้ไม่มีสุขอื่นที่เสมอความสงบนี้ไม่มีไม่มีความสุขันใดที่จะเทียบเท่ากับความสุขที่ได้จากความสงบความสงบที่เราเคยได้จากรูปเสียงกลิ่นรสผดผลา เมื่อมันเปรียบเทียบกับความสงบที่เราได้ความสุขที่เราได้จากความสงบนี้เหมือนกับเป็นฟ้ากับดินเลย<ม>พอเราไดคา้ความสุขแบบนี้แล้วเราก็จะรู้แล้วว่าความสุขของเราที่แท้จริงอยู่ที่ไหน ม, มันก็อยู่ที่การทำใจให้สงบนี่ไม่ว่าใครก็ตามถ้าลองได้สัมผัสกับความสงบที่เกิดจากการนั่งสมาธิแล้วจะติดอกติดใจจะไม่อยากจะไปหาความสุขแบบเดิมอีกต่อไป จะไม่อยากจะไปเที่ยวจะไม่อยากไปเข้าสังคมไม่อยากจะไปร้องราทาเพลงไปทากิจกรรมอะไรกับใครทั้งนั้นอยากจะไปปลีกวิเวกอยู่เรื่อยๆอยากจะไปทำสมาธิทำใจให้สงบ <Yeah. S 1> เพราะมันไม่มีความสุขอันใดในโลกนี้ที่จะดีเท่ากับความสุขที่เกิดจากความสงบต่อให้ได้เงินเป็นร้อยล้านพันล้านมันก็ไม่มีความสุขเท่ากับความความสุขที่ได้จากความสงบนี้ คนที่ได้ความสุขแบบนี้แล้วจะสามารถสละความสุขทางโลกไปได้หมดสละโลกกระทำได้สละลาบยดสรรเสริญสละการเสพรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆได้นี่คือความสุขระดับที่จะยกระดับใจให้ขึ้นไปเป็นพรหมพรหมก็มีสองระดับระดับระดับแรกก็รูปถ้าได้รูปประชานก็จะได้เป็นรูปประพม ระดับที่สองก็คืออารูปประพมอันนี้ก็อยู่ที่การฝึกสมาธินั่งสมาธิฝึกฝึกสติเดินจงกรมนั่งสมาธิเ <c oughs> บื้องต้นนี้ไม่ต้องไปกังวลเรื่องการเจริญปัญญา <c oughs> ปัญญานี่ยังเป็นอีกขั้นหนึ่งที่รอเราอยู่ข้างหน้า <c oughs> ขั้นนี้เราเนเหมือนขั้นปริญญาปริญญาโทร <c oughs> เราอย่าเพิ่งไปกังวลกับขั้นปริญญาเอกเรียนให้จบปริญญาโทก่อน <c oughs> พอจบปริญญาโทแล้วเราชำนาญในการเข้าเข้าออกสมาธิสามารถเข้าสมาธิได้ทุกเวลาที่เราต้องการสามารถทําใจให้นิ่งให้นานเท่าที่เราต้องการได้ถ้าเราทําได้แล้วเราก็ต้องไปขั้นต่อไปือเราจะต้องยกระดับใจของเราจากระดับพรหมให้ขึ้นไปเปสู่ระดับอริยบุคคลนะ และการที่เราจะยกระดับใจของเราให้ไปเป็นพระอริยบุคคลได้อันนี้แหละเราต้องเราต้องศึกษาต้องเจริญปัญญาต้องพิจารณาอริยา ศ, าศาสตร์สีพิจารณาไตรลักษณต้องรู้ว่าทุกข์ของเราเกิดจากอะไรเกิดจากความอยากต่างๆและการที่จะระ ง, งับความทุกขของเราระ ง, งับได้อย่างไรระ ง, งับด้วยมรรคคือการปฏิบัติคือการพิจารณาไตรลักษณ์นั่นเองถ้าเราเห็นทุกสิ่งทุกอย่าง ที่เราอยากได้นี่มันจะทำให้เราต้องทุกข์เราก็จะไม่เราก็จะไม่อยากได้เราก็จะหยุดความอยากได้พอเราหยุดความอยากได้ความทุกข์ในใจก็จะไม่มีนี่แหละคือขั้นของปัญญาไม่มีอะไรมากมาย ก, ก่กกองให้เราศึกษา <c oughs> สิ่งที่เราไปยึดไปติดไปอยากเช่นร่างกายของเรานี้เราไปยึดไปติดไปอยากให้มันไม่แก่ไปอยากให้มันไม่เจ็บไปอยากให้มันไม่ตาย ซึ่งเป็นเพราะว่าเราไม่มองความจริงกันเราไม่เคยคิดเลยว่าร่างกายของคนเราทุกคนนี้เมื่อเกิดมาแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายด้วยกันทั้งหมดเราต้องมาสอนใจด้วยปัญญาสอนใจอย่างที่พระเจ้าทรงสอนให้เราพิจารณาอยู่เนืองๆทุกวันก็คือเราเกิดมาแล้วย่อมมีความแก่เป็นธรรมดาย่อมมีความเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นธรรมดาย่อมมีความตายเป็นธรรมดา ย่อมมีการพัดพากจากกาันเป็นธรรมดาล่วงพ้นจากความแก่ความเจ็บความตายความพัดพากจากกันไปไม่ได้ต้องเอามาสอนมาย้ำอยู่เรื่อยเพื่อไม่ให้หลงไม่ให้ลืมพอถ้าเราไม่หลงไม่ลืมแล้วเวลาที่เราเกิดความอยากไม่แก่เราก็จะหยุดมันได้เพราะเรารู้ว่ามันเป็นสิ่งที่เราห้ามมันไม่ได้ความแก่นี้มันต้องเป็นไปตามเวลาของมันทุกคนเนี่ย เวลาเกิดมาก็เป็นเด็กกันแต่ต่อมาก็โตขึ้นเป็นผู้ใหญ่จากผู้ใหญ่ก็กลายเป็นผู้เท่าตามเวลาของมันแล้วในที่สุดก็เป็นผู้ตายอันนี้เป็นเป็นสัจธรรมความจริงเป็นปัญญาที่เราจะต้องศึกษาเรียนรู้เพราะเราต้องการเอาความรู้อันนี้มาระงับความอยากระงับความอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายตัวที่มาสร้างความทุกข์สร้างความวุ่นวายใจให้กับเรา ถ้าเราสามารถพิจารณาได้แล้วเวลาที่เราไ ป, ปเผชิญกับความแก่เผชิญกับความเจ็บเผชิญกับความตายแล้วเราสามารถระ ง, งับความอยากไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายได้เราก็จะบรรลุปเป็นพระอริยบุคคลขั้นที่หนึ่งได้เป็นพระโสดาบันอันนี้ต้องใช้ปัญญาลนะสมาธิอย่างเดียวไม่พอถ้าอยากจะขึ้นจากระดับของ ของพรมขึ้นสู่อริยบุคคล น, นี้ต้องขึ้นด้วยปัญญาต้องละสังโยชน์ตัวที่ผูกมัดใจให้ติดอยู่กับตายพบติดอยู่กับการเวียนว่ายตายเกิดการเป็นพระอริยบุคคล น, นี้หมายถึงการการการตัดออกจากการเวียนว่ายตายเกิดตัดออกจากการกลับมาเวียนว่ายตายเกิดถ้าได้ขั้นที่หนึ่งได้ขั้นพระโสดาบันนี้ก็จะสามารถ ตัดภพชาติที่จะต้องกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ได้ให้เหลือไม่เกินเจ็ดชาติเป็นอย่างมากถ้ายังถ้ายังไม่ได้บรรลุธรรมที่สูงขึ้นกว่าที่เป็นอยู่แล้วเกิดมีอุบัติเหตุอาจจะต้องตายไปก่อนอย่างนี้ก็จะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกเจดครั้งบป็อย่างมากแล้วก็จะมาปฏิบัติต่อโดยที่ไม่ต้องมีใครมาสั่งสอนแล้ะเพราะรู้ขั้นตอนหมดแล้วว่าจะต้องทําอะไรบ้างะ ขั้นตอนต่อไปจากพอได้เป็นพระโสดาบันก็ต้องไปไปละสังโยชน์ไปทําสังโยชน์สองตัวต่อไปให้เบาบางลงสังโยชน์ที่ต้องทําให้เบาบางก็คือการมาราคะกับปฏิฆะการมาราคะก็คือการความยินดีความกําหนัดยินดีต่อการร่วมเพศนั่ต้องหยุดมันให้ได้ถ้าเราหยุดความกําหนัดยินดีได้ ปฏิกะคือความหงุดหงิดใจมันก็จะหายไปมันมาคู่กันสำหรับขั้นที่สองนี้ยังไม่ต้องกำจัดให้มันหมดไปเพียงแต่ทำให้มันเบาบางลดให้มันน้อยลงจากร0 0ยเปอร์ซให้เหลือห้าบเอร์ซครึ่งคึกลางบางบา ง, บางทีก็อยากบางทีก็ไม่อยากขึ้นอยู่กับปัญญาของเราว่าทันทันการมาราคะหรือไม่พอเกิดการมาราคะขึ้นมาถ้าปัญญาตามทันก็หยุดมันได้ ถ้าตามไม่ทันมันก็ลากเราไปเสพกามกันพระริยนี้ท่านยังเสพกามอยู่พระสสดาบันยังมีแฟนอยู่ยังยังย่วมร่วมหลับนอนกับแฟนอยู่ยังอยากอยู่ยังอยากจะหลับนอนกับคนนั้นคนนี้อยู่แต่ท่านจะไม่ประพฤติผิดป ร, ประเพณีท่านเองท่านจะไม่ทําบาปท่านจะรักษาศี่ห้าจะไม่มีการทําบาปโดยเด็ดขาดถ้าเราวิธีที่จะทําให้การมาราคะลดลงทํำยังไง ก็ต้องให้พิจณาอสุภะอสุภะคือความไม่สวยไม่งามของร่างกายร่างกายของเรานี้มีทั้งส่วนที่สวยงามและส่วนที่ไม่สวยงามมีทั้งที่เวลาที่สวยงามและเวลาที่ไม่สวยงามเวลาที่สวยงามก็คือเวลาเราอาบน้ำอาบท่าแต่งเนื้อแต่งตัวทำหน้าทำทำตาทำผมอะไรต่างๆมันก็กลายเป็นหน้าตาที่น่าดูขึ้นมา แต่ถ้าเวลาที่เราตื่นขึ้นมาตั้เช้านี่ mm. ผมเภาุ่งเหยิ่งขี้ตา ย, ยังติดอยู่ที่ตายอยู่เจอน้ำลายยังมีคาบน้ำลายอยู่ข้างปากอยู่อันนี้ดูแล้วมันก็จะไม่มีความรู้สึกว่าสวยงามหรือเวลาที่ร่างกายตายไปเป็นซากศพไปเนี่ยถ้าปล่อยทิ้งไว้ไม่มีการเผาบม่การฝังเดี๋ยวร่างกายก็ต้องขึ้นอืดพองขึ้นมาแล้วก็เน่าเฟะตามเวลาของมันนี่คือความไม่สวยงามของร่างกาย หรืออีกส่วนหนึ่งก็คือสิ่งที่มีอยู่ภายใต้ผิวหนังของร่างกายก็ไม่มีอะไรน่าดูน่าชมใต้ผิวหนังก็มีเนื้อมีเอ็นมีกระดูกมีม้ามมีปอดมีไตมีตับมีลำไส้มีเยื่อในสมองแล้วก็มีน้ำต่างๆน้ำดีน้ำเลือดน้ำน้ำทะเลน้ำลายน้ำลไรต่างๆต้องพิจารณามองให้เห็นความไม่สวยงามของร่างกาย เวลาที่เราเห็นใครว่าสวยงามเราต้องพลิกมันกลับมาว่ามันไม่สวยจริงมันสวยเฉพาะเวลานี้เท่านั้นเองเดี๋ยวแล้วสวยเฉพาะข้างนอกเท่านั้นเองแต่ถ้าเราสามารถมองทะลุเข้าไปข้างในได้แล้วเราก็จะเห็นว่ามันไม่น่าดูและน่าชมไม่มีความน่าอยากที่จะมีอะไรกับเขาเลยนี่คือการใช้อสุภะถ้าเราสามารถใช้อสุภะทาการมราคะให้เบาบางลงยังไม่หมดสิน้น เราก็จะได้ขั้นที่สองคือขั้นภัสกิกดาคามีถ้าเป็นภัสกิกดาคามีนี้ก็จะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์เพียงอีกชาติเดียวเท่านั้นเองเพราะความอยากจะเสกการมมนุษน้อยลงมากนะพอกลับมาเกิดอีกครั้งหนึ่งก็สามารถระงับระงับการมาราคะได้อย่างเต็มที่คือเป็นขั้นที่สามนี่ต้องระงับการมาราคะให้หายไปหมดเลยวิธีจะทําให้การมาราคะหายไปหมดก็คือ ต้องเห็นอสุภะตลอดเวลาไม่ใช่เห็นเฉพาะบางเวลาเวลาเห็นร่างกายของใครที่ว่าน่าดูน่าชมที่ที่จะทำให้เราเกิดความกาหนัดยินดีอสุภะต้องมาทันทีพอเห็นสุภะปับ๊บอสุภะก็มาลบมันทันทีพอถูกอสุภะลบไปการมาราคาปฏิราคามันก็จะหายไปอันนี้เป็นขั้นที่สมขั้นพระอนาคามี ถ้าได้เป็นขันอนนาคามีแล้วก็จะไม่กลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกต่อไปเพราะไม่มีการมาราคะไม่มีตัวที่จะมาดึงให้ใจกลับมาเกิดม า, ม, ามีร่างกายเพื่อไปเสพกามนั่นเองก็จะไปเกิดบนสวรรค์ชัน้น อ, อรูปภมม네มีอยู่ห้าชั้นด้วยกันที่อยู่ของพระพระอนนาคามีแล้วท่านก็จะไปปฏิบัติธรรมขั้นนั้นต่อด้วยการไปรละสังโยชน์ที่เหลืออยู่ อ, ยอีกห้าตัว ละรูปราคะความยึดติดความยินดีในรูปฌานละอรูปรคาคะความยึดความยินดีในอรูปฌานละละมานะาคือความถือตนถือตัวถือตนและอุทธัจจะคือการเจริญปัญญาแบบไม่มีขอบมีเขตจนทําให้จิตใจฟุ้งซ่านขึ้นมาแล้วก็ละอวิชชา คือความหลงความไม่เข้าใจธรรมชาติของจิตว่าเป็นยังเป็นตายรักอยู่ยังเป็นอนิจจังทุกแต่อยากจะให้จิตไม่ไม่เป็นตายรักอยากให้จิตสงบให้มีความสุขตลอดเวลาแต่จิตในระดับนี้ยังเป็นจิตที่ยังไม่อยังเป็นจิตที่อยู่ภายใต้กฎของตายรักนี่เรียกว่าวิชาพอ เ, เข้าใจแล้วก็สามารถที่จะละสามยศเหล่านี้ได้ พอละได้จิตใจก็จะหลุดพ้นจากกิเลสตัณหาที่เป็นตัวดึงจิต ด, ดึงใจให้กลับมาเวียนว่ายตายเกิดในตายพบได้เป็นพระอริยะบุคคลที่สมบูรณ์เธอได้เป็นพระอรหันตาสาวกและรางวัลของพระอรหันตาสาวกก็คือได้ไปอยู่ที่พระนิพพานพระนิพพานก็คือสวรรค์ชั้นสูงสุดสวรรค์ที่มีแต่ความสุขไม่มีความทุกข์ ไม่มีการกลับมาเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไปนี่คือเรื่องของการมาทำพระทำใจเราให้เป็นพระให้เป็นพระอริยะบุคคลในพระพุทธศาสนาให้เป็นพระโสดาบันให้เป็นพระสกิดาคามีเป็นพระนาคามีเป็นพระอรหรันด้วยการปฏิบัติธรรมตามคาสอนคือไม่ไปทำบาปไม่ไปเสพอบา ย, ยมุขทำบุญทำทานตามโอกาสตามกำลัง แล้วก็ไปภาวนาไปถือศีลแปดไปเป็นนักบวชกันภาวนาจเจริญสมถะ ภ, ภาวนาเพื่อให้จิตเป็นได้รูปฌปานกับอรูปฌปานก็จะได้ไปสู่ชั้นพรมแล้วพอได้ได้ชั้นพรมแล้วก็ไปศึกษาปัญญาศึกษาเรื่องอริยสัจสี่ศึกษาเรื่องไตรลักษณ์พอพอเข้าใจอริยสัจสี่ไตรลักษณ์ก็จะสามารถ ที่จะละสังโยชน์ทั้งหมดที่เหลืออยู่ให้หมดสิ้นไปตัวที่คอยดึงใจให้มาเวียนว่ายตายเกิดตัดตัดเชือกที่มาผูกใจให้ติดอยู่กับสังสารวัฏอยู่กับตายพบตัดด้วยปัญญาอย่างอื่นตัดไม่ได้สมาธิตัดไม่ได้ศีลตัดไม่ได้ทานตัดไม่ได้แต่ศีลสมาธิทานศีลภาวนาทานศีลสมาธินี้เป็นขั้นตอนที่จะต้องมี ถึงยังมีกำลังที่จะไปตัดสังโยชน์ได้ด้วยปัญญา น, นี่ก็คือเรื่องธรรมที่เอามาฝากท่านในวันนี้ก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจะขออนุโมทนาให้พรยะทาวเรวาหาตุลาปริปูเลมติสาคลังเอวเมีวะอิโตทินังเปตานังอุปกาปติ อิชตังกัชิตังตุมหังทิปะเมวะสมิจชาตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนะระโสยถามณิโชติระโสยถาสัพพิติโยวิวัชันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวัตะวันตรลายโยสุขีทีขายุโกภวะ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 หลังจากที่เราเลิกแล้วก็จะไม่สามารถที่จะตอบคําถามได้เพราะต้องทําอะไรอย่างอื่นอี้งั้นถ้าอยากจะถามขอเชิญถามได้ในช่วงนี้ถ้าไม่อยากจะถามเองก็เขียนใส่กระดาษส่งข้อความเข้ามาก็ได้ถ้ามีมือถือก็ส่งเข้ามาทางเพจทาง youtube ก็ได้วันนี้มีผู้ติดตามทั้งหมดเท่าไหร่ครับในวัฒการพระอาจารย์เจ้าค่ะ วันนี้มีผู้รับฟังธรรมา น, น้ากุติทางเฟ c บุ๊ o ห้าร้อยสามสิบห้าท่านทาง YouTube พระอาจารย์สุชาติสามร้อยท่านทางด r V c h ตอร์ว7ชาแนเจ็ดสิบสองท่านครับเฮาสามท่านวิทยุออนไลน์สิบสี่ท่านผู้มารับฟังหน้ากุติหนึ่งร้อยสามสิบสามท่านรวมทั้งหมดเป็นหนึ่งพันห้าสิบเจ็ดท่านเจ้าค่ะ มีอะไรก็ถามได้เลยมีคําถามจากทางเฟซบุ๊กเจ้าค่ะเราต้องะระลึกว่าเราทิ้งสิ่งหรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนี้ออกไปไม่เก็บผูกเอาไว้ในจิตสลัดทิ้งออกไปปฏิบัติถูกต้องหรือเปล่าคะก็แล้วแต่ว่ามันเป็นอะไรนะถ้าของดีเราก็ไม่ทิ้งเนี่ยของไม่ดีเราก็ให้ทิ้งไป ถ้าเป็นธรรมะอันนี้เราก็ไม่ทิ้งแต่ถ้าเป็นเรื่องของกิเลสเราก็ต้องตัดทิ้งไปมันก็ต้องดูก่อนว่ามันเป็นเรื่องอะไรคำถานจากคุณ ใจสุขใจสูงเนินน้อมกราบเรียนถามพระอาจารย์เจ้าค่ะเมื่อนั่งสมาธิจนรู้สึกว่าตัวเบาลมหายใจค่อยๆเบาลงทุกอย่างรอบข้างเริ่มไม่ได้ยินรู้สึกสงบขึ้นแล้วควรทําอย่างไรต่อไปคะแต่ขณะที่รู้สึกสงบนั้นดิฉันยังดูลมหายใจอยู่ตลอดค่ะกราบขอบพระคุณพระอาจารย์เจ้าค่ะก็ดูต่อไปใจ ย, ยังไม่สงบเต็มที่ ้องดูไปจนกว่ามันจะ น, นิ่งสงบไม่มีการคิดปรุงแต่งไม่มีลมไม่มีอะไรแล้วค่อยหยุดคำถามต่อไปจากคุณสนทยากราบนมสการ์ค่ะพระอาจารย์ขอถามว่าการทำบุญ โดยการโอนเงินหรือฝากผู้อื่นทาจะได้บุญไหมคะดิฉันอยู่ต่างประเทศที่สวีเดนค่ะชอบทำบุญค่ะแต่จะโอนผ่านธนาคารมากค่ะได้ได้โอนเงินมาม า, มาถวายก็ได้เท่ากันมีคำถามจากผู้รับฟังธรรมะนากุติสี่คำถามเจ้าค่ะ ในการเป็นผู้พิพากษาเราต้องทำหน้าที่ตัดสินคดีความในบางครั้งต้องลงโทษให้เขาถูกประหารต้องลงโทษให้เขาถูกจองจำหรือล้มละลายคำถามที่หนึ่งการเป็นผู้พิพากษาถือว่าเป็นสัมมาอาชีวะตามมรรคแปดหรือไม่ครับก็ยกเว้นว่าถ้าต้องทำให้เขาตายเราไม่ถือว่าเป็นสัมมาอาชีวะ แต่ถ้าทําโทษอย่างอื่นนี่ก็ยังถือว่าเป็นสัมมาชีวะอยู่แต่ถ้าทําโทษเขาด้วยการประหารชีวิตเขานี้ก็เป็นการสั่งให้คนเขาสั่งให้คนไปท่าคนตัวเองไม่ได้ทําเองก็ดีแต่คนอื่นทํานอกจากไม่เป็นสัมมาชีวะแยังเป็นบาปด้วยคําถามข้อที่สองใช่ไหมคะการตัดสินใจเข่าถือเป็นการเบียดเบียนเข่าหรือเป็นบาปหรือไม่ครับ การตัดสินใจยังไการตัดสินลงโทษเขาถือว่าเป็นการเบียดเบียนเขาหรือเป็นบาปหรือไม่ครับถ้ามันเป็นตามหลักความเป็นจริงก็ไม่บาปเพราะเราก็ดูผิดถูกดีชั่วถ้าเขาผิดก็ต้องชี้ผิดไปนะคำถามข้อที่สามวิบากของการเป็นผู้พิพากษาจะมีผลเป็นอย่างไรบ้างครับก็อยู่ที่กรรมที่เราทา ถ้าทำบาปก็คิดว่าเป็นอาชีพเลี้ยงชีพก็ต้องไปเป็นสัตว์เดรัจฉานถ้าทำบาปด้วยความโกรธก็จะไปนรกคนถามข้อสุดท้ายจ้าค่ะในบางกรณีกฎหมายมีช่องโหว่แต่เราทำตามกฎหมายซึ่งเรารู้ว่า เขาไม่ผิดแต่กฎหมายบอกว่าผิดเราก็ตัดสินใจให้เขาผิดหรือเขาผิดแต่ทนายแก้ต่างให้โดยอาศัยช่องว่างของกฎหมายเราก็ตัดสินให้เขาถูกตามกฎหมายเช่นนี้ผลในกฎแห่งกรรมจะมีอย่างไรและเราซึ่งเป็นผู้พิพากษาต้องวางตัววางใจอย่างไรครับเราก็ต้องวางตามกฎหมายแหละ กฎหมายมีช่องโหวก่ก็ต้องก็ต้องก็ต้องทำตามช่องโหว่นั้นไปเราเราขัดกฎหมายไม่ได้เราทำหน้าที่แทนกฎหมายถ้ามันมีช่องโหว่ก็ต้องให้ทางคนที่ออกกฎหมายให้ไปปิดช่องโหว่นั้นาอาฝนจะมาแล้ว ใช่ค่ะจากคุณเด่นกเจ้าค่ะถ้ามีผู้ป่วยใกล้จะตายให้แนะนำบริกรรมพุทโธหรือให้จิตคิดอะไรครับแล้วแต่เขาจะทำอะไรได้ก็ให้เขาทำอย่างนั้นไปพุโทโธได้ก็พุโทโธปลงได้ว่าเกิดมาแล้วต้องตายเป็นธรรมดาให้เขาปลงไป ยังไม่มีคำถามเข้ามาเจ้าค่ะไม่มีก็จะปล่อยให้กลับบ้านแนละ้ว เ, เดี๋ยวถ้าเกิดฝนนะก็ขอให้ท่านโยงนำเราสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังไปพิจิพิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปเถิดสาธุ